ก็เธอสุวานใจและเธอก็เป็นคนแรก mm hmm. ผมมอบไปทั้งใจและไขยัขิดมาแย mm ่ง hmm. จะเานิทานในฟังให้เธอได้ยินก่อนนอน mm hmm. ก็สิบปบอว่ารักให้เธอได้ฟังผ่านก่อน mm hmm. ก็เธอคือวานใจและเธอก็เป็นคนแรก mm hmm. ผมมอบไปทั้งใจและไขย่ยัขิดมาแย่ ่าใ้ให้เธอได้ยินก่อนนอนอกระซิบเบาๆว่ารักให้เธอได้ฟังผ่านก่อนถ้าเจอหน้ารักแคนาดนี้มาเป็นหว่นใจให้หน่อยให้แกเป็นนําเมื่อวันถึงบอกว่รักไม่บ่อยก็อยากจะถ่ายรูปเธอมาตั้งหน้าจอโทรศัพท์หัวใจมันก็ฟูตอนแก่น้อนมาที่ตาก็อยากจะหลับพร้อมเธอให้เสียงเพลงบรรเลงก่อนบางครั้งทําตัวไม่ดีเอาแต่ใจเตียน บอกรักให้คนอิจฉาใค่ใครก็บอกม่าวานไปแล้วมีอะไรปะหละกับคนคนนีคือวานใจก็เธอคือวานใจและเธอก็เป็นคนแรกผมมอบให้ทั้งใจและไขอย่าคิดมาแย่งจะเล่านิทานให้ฟังให้เธอได้ยินก่อนนอนก็สิบปั๊บว่ารักให้เธอได้ฟังผ่านก่อนก็เธอคือวานใจและเธอก็เป็นคนแรกผมมอบให้ทั้งใจและไขอย่าคิดมาแย่งจะเล่านิทานให้ฟังให้เธอได้ยินก่อนนอน ก็สิบเบาว่ารักให้เธอได้ฟังผ่านก่อนก็มอไม่เธอทั้งใจลรืใครอยากคิดจะแยง่งตัวผมนั้นก็รักจริงและไม่เคยคิดจะแกล้งเธอน่ารักที่สุดเลยทาผมยิ้มไม่หุบเลยตัวเธอรู้ไหมว่าเธอน่ารักเกินไปยกให้เธอเป็นหวานใจและไม่ให้ใครไม่ยุ่งรอกที่ให้ไปหลักสาวไหวยาวสูงดูแลไว้ให้ดีเลยชายคนนี้จะไม่มีใครอืได้โปดต้องเชื่อใจหลักที่มีให้มีค่ากว่าแซนยกใจให้กูเลย เวหวังว่าจะไม่แค้วกันหลักแค่คุณคนนี้ใครจะว า, ากะช่างมันจะเป็นหวานใจที่ไม่มีใกลเมือนให้เจอคนเดียวจะไม่มีใครหน่ลักจริงแต่ไม่ได้แสงไม่ให้ใครมาแย่งหลักจริงแต่ไม่ค่อยแรงจะไปขอคุณแม่บางครั้งบางคราวอาจทาตัวไม่ค่อย อยากให้เธอหลับซ้ายแ ล, ลิรีบกว่าขอมีเธอชิงงามเกิานาหมันนางหวันทองในนักคดีก็แอบชอบเธอมานานชอบมานานมาเป็นปีถ้าเธอชินเหมือนกันมันก็คงน่าจะดีหัวใจของเราดวงนิ่มยกให้แกไปฟีๆเพราะเธอสุวหวานใจละเธอก็เป็นคนแรกผมมอบไปทั้งใจและไขอยาขินมาแยง<ม>่งจะเรานิท่าในให้ฟังให้เธอได้ยินก่อนนอน ก็สิบบาบ า, าว่ารักให้เธอได้ฟังผ่านก่อนก็เธอคือวานใจและเธอก็เป็นคนแรกผมมอบไปทั้งใจและไขอยาคิดมาแย่งจะเรานิท่านให้ฟังให้เธอได้ยินก่อนนอนกสิบบาบ า, าว่ารักให้เธอได้ฟังผ่านก่อน